อันนี่มีคอสยังอยู่กันครบหมหรือนีไปบ้างแล้วเมื่อวานให้ไปหัดรู้สึกตัวในพี่เลี้ยงอยู่ไหนบ้างพี่เลี้ยงรู้สึกไหมรู้สึกกันได้ไหมพวกที่มาเรียนเนี่ยแต่คอรสรุ่นนี้ดูไม่น่าหนักใจอะไรดูง่ายๆ่ ขั้นแรกเลยของการภาวนาเราต้องรู้ว่าเราภาวนาเพื่ออะไรเราไม่ได้ภาวนาเพื่อหาความสุขเพื่อเอาความสุขเอาความดีเอาความสงบเพราะความสุขความดีความสงบเป็นแค่ผลปลอยได้ถ้าภาวนาเราก็มีเองแหละแต่ไม่ใช่เป้าหมายเป็นของแถมของระหว่างทางถ้าเรามุ่งภาวนาเอาความดีความสุขความสงบเนี่ยดีมันยังไม่เที่ยง สุขก็ยังไม่เที่ยงนะสงบก็ยังไม่เที่ยงถ้ามุ่งเอาของไม่เที่ยงมันก็ได้มาแล้วไม่นานก็เสียไปนะดีได้ก็ยังชั่วได้อีกสงบได้ก็ฟุ้งซ่านได้อีกนะมีความสุขได้ก็ยังมีความทุกข์ได้อีกเพราะของเหล่านี้ยังไม่เที่ยงเราจะภาวนาเอาของที่ดีกว่านั้นแต่ถ้าภาวนาไปนะเราก็จะเป็นคนดีนะมีความสุขมีความสงบมากขึ้นมากขึ้นอันนั้นเป็นผลปล่อยได้ไม่ใช่ตัวหลักหรอก เราภานาเนี่ยมุ่งไปเพื่อให้เห็นความจริงความจริงของกายความจริงของใจความจริงของมันก็คือความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจเป็นของไม่เที่ยงมันของที่ถูกบิบคั้นทนอยู่ไม่ได้เป็นของที่บังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจทั้งกายทั้งใจนะจะเคลื่อนไหวจะเปลี่ยนแป ล, ปลงจ ะ, จะตั้งอยู่จะเกิดจะตั้งอยู่หรือจะดับเลยเป็นไปตามเหตุทั้งสิ้น ไม่ใช่ของที่สั่งได้ไม่ใช่ของที่บังคับได้เรียกว่าอนัตตาถ้าเราภานามาให้เห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์แลสิ่งที่ตามมาก็คือการปล่อยวางอยากเกิดขึ้นเราจะคลายความยึดถือในกายยึดถือในใจเนะมื่อไรไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจอย่างท่านพุทธทาสท่านบอกไม่ยึดในตัวกูของกูนะนะไม่ยึดตัวกูของกูความทุกข์ไม่มีที่ตั้งนะ ความทุกข์มันตั้งอยู่ที่กายความทุกข์มันตั้งอยู่ที่ใ จ, ใจระวางกายวางใจลงไปแล้วความทุกข์มันไม่มีที่อาศัยอยู่ใจมีพ้นจากความทุกข์ไปนะตรงนี้เรายังไม่เห็นด้วยตัวเราเองนะแต่เวลาเราภาวนาเนี่ยเราจะเริ่มเห็นเหมือนกันเห็นร่องรอยนะว่าถ้าเมื่อไหร่หมดความยึดถือนะก็จะหมดความทุกข์ร่องรอยของมันก็คือเราจะเห็นใจเราค่อยๆ ค, ค, ค, คลายออกจากโลก ภาวนาไปนะใจค่อยห่างโลกออกไปเรื่อยคลายออกจากโลกยิ่งใจเราคลายออกจากโลกมากเท่าไหรนะ่ความทุกข์ก็ยิ่งลดลงเท่านั้นนะห่างออกไปความทุกข์มันอยู่ที่กายความทุกข์มันอยู่ที่ใจถ้เนระามไม่หยิบฉวยกายไม่หยิบฉวยใจขึ้นมาครอบครองเป็นเจ้าของนะความทุกข์มันก็หล่นหายไปด้วยนี่ระหว่างภาวนาก็เริ่มเห็นแล้วเนี้ยนะเวลาที่ใจมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะเห็นโลกอยู่ห่างออกไป ร่างกายก็อยู่ห่างออกไปมันเริ่มเห็นร่างกายนี้เหมือนเป็นวัตถุธาตุหรือบางคนจะเห็นเหมือนกายของคนอื่นไม่ใช่ของเราแล้วมันอยู่ห่างๆออกไปความรู้สึกสุขทุกข์ก็อยู่ห่างๆออกไปกุศลอกุศลทั้งหลายแต่เดิมเคยครอบงำจิตใจได้ก็เริ่มเห็นกุศลอกุศลทั้งหลายอยู่ห่างๆออกไปมันห่างออกไปห่างออกไปนะในส่วนมันพลากออกจากกันแยกออกจากกันถาบอลนะไม่อยู่ด้วยกันแ่ะ แต่จิตนั้นกระจายตัวรวมเข้ากับธรรมชาติ<ม>เท่ากับความว่างพราะทุกอย่างมันจะว่างในตัวของมันอยู่แล้วเนจิตที่ไม่ยึดถืออะไรมันจะกระจายตัวออกไปรวมเข้าเป็นเนื้อเดียวกับความว่างตรงปูดโดนบอกว่าพอจิตนี้รวมเข้ากับความว่างอันบริสุทธิ์ของจักรวาลเป็นหนึ่งเรียกว่านิพพาน ตรงนั้นไม่มีความทุกข์เหลืออยู่นะมีแต่ความสุขอนิพพานมีความสุขจิตสัมผัสกับ น, นิพพานจิตมีความสุขมากนี่เราจะสัมผัสกับ น, นิพพานได้นะต้องวางความยึดถือกายยึดถือใจให้ได้ยังวางไม่ได้ก็ทุกข์แบกเอาไว้มากก็ทุกข์เพราะขันห้ารูปนามกายใจนะั้นเป็นตัวทุกข์เป็นภาระเป็นของหนัก ตราบใดที่เรายัางต้องแบกของหนักอยู่ตลอดเวลาลก็จะทุกข์อยู่เนฮะ้นบอกพระอราหันต์พระอริยะเจ้าวางของหนักลงแล้วแล้วไม่หยิบฉ่วยขึ้นมาอีกนะก็พ้นจากทุกข์งนะั้นตัวที่จะทําให้เราพ้นจากทุกข์ได้ก็คือตัววางนิ่งนะถ้าแบกอยู่ก็ทุกข์อยู่ถ้าวางไปก็พ้นทุกข์ไปแต่วางได้เพราะอะไรเพราะปัญญาแก่รอบนะเพราะเห็นความจริงความจริงของรูปธรรมนำมาทำว่ามันเป็นไตรลักษณ์ ไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของวิเศษไม่ใช่ของน่ารักน่าหวงแหนอย่างที่เคยรู้สึกถ้าเห็นได้ก็จะวางถ้าเห็นไม่ได้ไม่วางนะเห็นได้นิดหน่อยก็วางนิดหน่อยนะเห็นได้แจ่มแจ้งก็วางหมดหัดภาวนาก็เริ่มเห็นเป็นลาดับลาดับไปนะค่อยหัดไปทุกวันทุกวันไม่ท้อถอยนะความสุขรออยู่ข้างหน้าไม่ใช่ภาวนาเอาความสุขนะถ้าภาวนาเอาความสุขเอาความดี ความสุขความดีตัวนี้ไม่เที่ยงยังไม่เที่ยงอยู่มันมีความสุขที่เที่ยงรออยู่ข้างหน้าคือนิพพานนิพพานจะเจอได้แต่เมื่อเราวางความยึดถือในกายในใจได้วางความยึดถือในกายในใจได้เพราะมีปัญญาแก่รอบเห็นความจริงความจริงของกายของใจไม่ใช่ความจริงเรื่องอื่นด้วยเราจะเห็นความจริงของกายของใจว่ามันเป็นทุกข์นะเป็นไตรลักษณ์เป็นทุกข์เป็นก้อนทุกข์ล้นลเลย ก็เห็นเองนั้นก็วางไม่แบกไว้แล้วไม่ใช่ของดีทํายังไงจะเห็นได้จะเห็นความจริงของกายของใจได้ต้องดูกายดูใจตามความเป็นจริงการเราคอยรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนั่นแหละเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานก่อนที่เราจะเห็นความจริงนะเราต้องดูว่าจริงๆเขาเป็นยังไงนี่พวกเรานักปฏิบัตินะแทนที่เราจะคอยรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ว่าจริงๆเขาเป็นยังไง เราชอบดนะัดแปลงกายดัดแปลงใจคิดถึงการปฏิบัติเมื่อไรดัดแปลงเมื่อนั้นเลยไปเพ่งไว้ไปบังคับไว้ไปควบคุมไว้อี่ยเราจะเดินจงกรมนะสังเกตไหมจะเดินจงกรมรีบวางฟอร์มก่อนดัดแปลงแล้วดัดแปลงกายเถียงกันอีกนะมืออยไว้ข้างหน้าดีหรือไว้ข้างหลังดีนี่บางคนกอดอกก็มีนะบางคนทําท่านี้ก็มีมีหลายแบบนะบางคนเหวี่ยงเลยเ หลวงพ่อเคยเห็นนะสมัยก่อนมีอาจารย์กรรมฐานคนหนึ่งเป็นฆราวาสนะมาออกตรทัศน์เลยตอนนั้นหลวงพ่อยังเด็กๆอยู่สอนเดินจงกรมแกยกขาเนี่ยนะขึ้นมาขาทอดบนเนี่ยขนานกับเอวอย่อยางนี้เลยนะยกสูงมากเลยเราดูๆแล้วว่าตายแล้วหว่าถ้าเดินจงกรมอย่างงี้สักชั่วโมงนะคงเดินไม่ได้อีกแล้วเนะี่ย <laughs> แต่ละคนเนี่ยเริ่มเริ่มวางฟอร์มนะว่า เดินยังไงถึงจะดีร่างกายจะต้องจัดระเบียบมันแบบไหนถึงจะดีในขณะที่พระพุทธเจ้าสอนเดินจงกรมน่ยไม่มีอะไรเลยภิกษุทั้งหลายเมื่อเดินอยู่ให้รู้ชัดว่าเดินอยู่จบละนะหลักการเดินจงกรมที่พระพุทธเจ้าสอนดูครับภิกษุทั้งหลายเมื่อเดินอยู่ให้รู้ชัดว่าเดินอยู่รู้ชัดรู้ยังไงรู้ด้วยสติหรืรู้ด้วยปัญญาสองอย่างรู้ด้วยสติก็คือรู้ถึงความมีอยู่ของร่างกายที่เดินอยู่ รู้ถึงความมีอยู่ของจิตใจที่เป็นผู้รู้ร่างกายที่เดินอยู่นะรู้กายรู้ใจนั่นเองไม่ใช่เดินจงกรมรู้แต่กายไม่รู้ใจนะกรรมฐานมีทั้งรู้กายรู้ใจไม่ได้มีอันเดียวหรอกในขั้นเดินปัญญาใจมันเป็นคนดูเห็นร่างกายมันเดินนี่รู้ด้วยสติรู้ถึงความมีอยู่ของกายรู้ถึงความมีอยู่ของจิตใจมมีสติอยู่อันที่สองรู้ด้วยปัญญาเห็นความจริงว่าตัวที่เดินอยู่ไม่ใช่เรานะ เป็นวัตถุก้อนธาตุที่เคลื่อนไหวอยู่เคลื่อนไหวไปได้เพราะอะไรเพราะจิตมันสั่งนะเนี่ยไม่ใช่รู้แบบอนาถาเห็นแต่ร่างกายใจลอยๆไปเรื่อยๆไม่ใชนะ่รู้ด้วยสติคือรู้ถึงความมีอยู่ของกายรู้ถึงความมีอยู่ของใจนะรู้ด้วยปัญญาก็คือรู้ว่ากายนี้ไม่ใช่เรานะเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุจิตก็เป็นธรรมชาติรู้จิตนี้เป็นคนสั่งให้ร่างกายเดินนะรู้ด้วยปัญญาคือรู้ความจริงนั่นเองนะ ถ้ารู้ได้สติรู้ได้ปัญญาก็จะเห็นความจริงกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตนี้ก็ไม่ใช่ตัวเรานะมันทำงานของมันได้สารพัดเลยนี่เรียกว่ารู้ความเป็นจริงนะเป็นปัญญาปัญญาคือตัวรู้จริงเนะ่งั้นเราไม่ใช่เดินจงกรมนะก็จะต้องเดินให้ไม่เหมือนคนธรรมดานะแต่บางทีก็เจตนาเดินให้ช้าลงหน่อยก็ได้ได้ไม่ใช่ไม่ได้ พระบางคนเดินได้อิริยาบถธรรมดาเดินไปจังหวะธรรมดาเนี่ยดูไม่ทันเพราะสติของเรายัางอ่อนสมาธิเราก็ยังอ่อนไม่ตั้งมั่นพอเบื้องต้นหน่วงช้าเล็กน้อยได้แต่ให้ช้านานนะไม่ใช่มีที่อยู่3เมตรเดินอยู่3วันมันก็นานไปนะนานไปลําบากมากไปทรมานกลายเป็นทรมานไปนะทรมานกายมากไปทรมาน ก, ก็เข้าไปขายของอัตตะกิลมัฏฐานุโยคนั่นเอนง งันจะเดินจงกรมเดินไปสบายใจก็ต้องไม่ดัดแปลงด้วยไม่ใช่ดัดแปลงร่างกายอย่างเดียวนะเวลาที่เราคิดถึงการภาวนาอย่างเดินจงกรมนะนอกจากดัดแปลงร่างกายแล้วให้เดินผิดปกติจากที่เคยเดินมากๆเลยนะเรายังดัดแปลงจิตใจให้สงบให้นิ่งสังเกตไหมทุกครั้งที่คิดถึงการภาวนาจะเกิดการวางฟอร์มทางใจรู้สึกไหมนี่ไม่ใช่การรู้ตามความเป็นจริงนะเป็นการดัดแปลง เราต้องไม่ดัดแปลงมันนะท่านสอนให้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะถ้ารู้ความจริงแล้วมันวางนะเห็นแต่ทุกข์ล้นๆเลยเห็นแต่ของไม่เที่ยงเห็นแต่ความเป็นอนัตตาก็วางวางก็พ้นทะุกข์ไปนะวางได้เพราะมีปัญญาเห็นความจริงเห็นความจริงได้เพราะดูว่าจริงๆริกายเป็นยังไงจริงๆริจิตใจเป็นไงนั้นอย่าเริ่มต้นด้วยการทําลายความจริงของกายของใจอย่าไปดัดแปลงมันดูของมันซื่อเลยมันเป็นยังไงรูั่วเป็นอย่างนั้นดูซื่อๆนะ หลวพ่อคําเขียนนั้นภาพให้รู้ซื่อๆรู้ไปซื่อๆมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นโดยอย่างนั้นเพราะนเริ่มต้นนะพวกเราสังเกตตัวเองให้ดีทันทีที่เราคิดเรื่องการปฏิบัติเนี่ยจะเกิดการดัดแปลงกายดัดแปลงใจโดยอัตโนมัติเลยด้วยความเคยชินนะว่าการปฏิบัติต้องทําอะไรที่ผิดจากธรรมชาติธรรมดาของมนุษย์ปกตินี่เราคิดอย่างนี้ยังคิดมากไปแต่เบื้องต้น บางคนจําเป็นต้องให้ช้ากว่าปกตินิดหน่อยนะแต่ว่าพอภาวนาไปถึงช่วงหนึ่งเนี้ยธรรมชาติที่สุดเลยทุกก้าวที่เดินด้วยความรู้สึกตัวนั่นแหละเรียกเดินจงกรมหมดเลยจะเดินไปขึ้นรถเมย์จะวิ่งไปขึ้นรถเมย์นะจะจ็อกกิ้งจะอะไรเนี้ยจะว่ายน้ำนะร่างกายเคลื่อนไหวจะเดินไปห้องน้ําจะเดินไปกินข้าวนั่งกินข้าวอยู่ขยับไม้ขยับมือตักนะเอาช้อนตักอาหารจะใส่ปากปากเคี้ยวอะไรเนี้ย มันมีสติรู้สึกไปหมดเลยมันเห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่มีเราหรอกนะไม่ใช่ตัวเราเลยเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุมันเคลื่อนไหวไปนะบางส่วนก็เพราะจิตสั่งนะบางส่วนก็เพราะกรรมมันสั่งนะอย่างหัวใจยังเต้นอยู่เนี่ยจิตไม่ได้สั่งให้เต้นนะแต่อาศัยกรรมหล่อเลี้ยงไว้แนละ้วย่างเต้นตุ๊บๆๆ๊ของมันไปบางอย่างก็จิตสั่งเช่นยืนเดินนั่งนอนนี่จิตมันสั่งนะนี่เราก็ดูไปร่างกายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษเป็นวัตถุธาตุท่านั้นเองนะ เป็นไปตามกรรมบ้างเป็นไปตามที่จิตสั่งบ้างเป็นไปตามอาหารบ้างกินยาพิษเข้าไปชักดิ้นชัก ง, งออะไรเนี่ยนะเป็นไปตามอากาศสิ่งแวดล้อมบ้างรนะ้อนจัดจัดที่อยู่ไม่ไหวหนาวจัดจัดที่อยู่ไม่ไหวนะี่ร่างกายก็เป็นวัตถนะุเนื่องด้วยสิ่งที่แวดล้อมอยู่ทั้งหมดเลยแล้วก็เนื่องด้วยจิตนะเนื่องด้วยกรรมนะดูเขาทํางานไปนะไม่มีเราเลยนะไม่มีเราอย่างร่างกายนะเป็นมะเร็งทําไมเป็นมะเร็งน มีกรรมตัดรอนแนะจะเป็นมะเร็งจะตายอนะไรอย่างเงี้ยกรรมมันตัดรอนถ้าจิตภาวนาดีๆนะบางคนนะจิตภาวนาดีๆร่าเริงเบิกบานนะหายง่ายนะรักษาไม่ไม่นานก็หายอนะเพราะกรรมกรรมดีมันแรงนะนั้นะจริงๆแล้วร่างกายเป็นวัตถุธาตุเป็นเครื่องอาศัยอยู่ในโลกโชั่ชวครั้งชั่วคราวไม่ใช่ของดีของวิเศษจริงหรอกร่างกายมีแต่ความแปรปรวนเคลื่อนไหว นะร่างกายมีแต่วความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเมื่อยนะเดี๋ยวกระหายเดี๋ยวเจ็บไข้ได้ป่วยนะเดี๋ยวง่วงนะสารพัดความทุกข์มันบีบคั้นเมื่อเป็นวัตถุไม่ใช่ตัวเรานะ เ, เฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยเห็นความจริงของมันนะน้าเอื่มละอาความจริงไม่ใช่น่ารักน่าเอ็นดูเลยความจริงของขันห้านี้น่าเอื่มระอาเงินพระอรหันตะ์ท่านเอื่มระาขันห้า ท่านเห็นขันห้าเหมือนอะไรท่านเห็นขันห้าเหมือนหมาเน่าท่านเป็นคําเปรียบเทียบของพระละหันพระมหากัสปะท่านเคยพูดบอกจิตใจพระละหันนะเหมือนกับหนุ่มหนุ่มสาวสาวเหมือนคนหนุ่มคนสาวคือกระปรี้กระเป๋าจิตใจพระละหัน์ไม่ใช่เหมือนคนอายุร้อยแปดสิบนะเรื่องเซื่องเซ้อเซ้อไม่ใช่จิตใจเหมือนคนหนุ่มคนสาวนะกระปรี้กระเป๋าอาบน้ําแต่งตัวสวยงามใส่น้ําหอมเรียบร้อยนะ แต่งตัวสวยทุกอย่างดีงามเนี๊ยบเลยแต่เวลาก่อนจะออกจากบ้านนะจะหยิบหมาเน่ามาตัวหนึ่งคล้องคอไปด้วยหมาเน่าก็คือตัวขันนั่นเองจิตของท่านเนี่ยนะ่องใสเบิกบานนะแต่การที่ต้องแบกขันอยู่นะเป็นภาระเป็นของหนักเป็นของที่ไม่ดีท่านเห็นขันห้านี่เป็นตัวเป็นภาระนะไม่ใช่ของดีของวิเศษเนี่ทัศนะของพระอรหันต์นะอย่างพระมหากัปะเป็นต้น ส่วนทัศนะของเราเนี่ยเราเห็นว่าหมาเน่าตัวนี้น่ารักน่ารักรู้สึกไหมมีหมาเน่าตัวเดียวไม่พอนะจะต้องหาหมาเน่ามาอยู่ด้วยฝากไปก็มีลูกหมาเน่าเกิดขึ้นเรารู้สึกนี่ของดีของวิเศษนะเนี่ยเพราะเรายังไม่เห็นนะไม่เห็นทุกข์แบบไม่เห็นพอหัดเจริญสติไปนะดูลงในกายดูลงในใจดูไปเรื่อยนะกายนี้ก็มีแต่ทุกข์มันไม่ใช่ของดีของวิเศษเหรอก จิตใจก็มีแต่ทุกข์นะไม่ใช่ของดีของวิเศษอะไรนะจิตใจดูสีมันดีจริงไหมหาความสุขมาให้มันนะเช่นพามันไปดูหนังให้มันสบายใจพามันไปทัศนาจรนะไปประเทศโน้นประเทศนี้ให้มันสบายใจมันสบายแป๊บแปบรู้สึกไหมสบายแป๊บแปบ๊เดี๋ยวมันก็กลุ่มใจอีกแล้วนะเลี้ยงเท่าไหร่ก็ยังไม่เชื่องนะ เลี้ยงเท่าไหร่ก็ไม่เชื่องให้มันอยู่ดีกินดีเท่าไหร่เท่าไหร่นั้นมันก็ยังทนอยู่ไม่ได้นําความทุกข์มาให้อีกนี่เรามีสติตามรู้จิตใจไปเรื่อยเห็นแต่ความแปรปรวนเห็นะแต่ว่าความสุขนั้มันสั้นเหลือเกินแต่ไอความสุขมันสั้นเหลือเกินแต่ความทุกข์เนี่ยยาวไม่รู้จกักจบจักสิ้นเลยเฝนะ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยในสุดใจมันเอื้อมใจมันเบื่อหน่ายนะท่านสอนบอกว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่าย เพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือพราะคลายความยึดถือก็จึงหลุดพ้นไม่ยึดไป ม, มันก็หลุดนะบางคนบอกว่าทําไงจะปล่อยวางขันได้คล้ายๆหลวงพ่อจับพัดนะหลวงพ่อทําไงจะปล่อยได้ว่าหาทางสะบัดใหญ่ไม่ปล่อยเองอะ่ะจริงๆไม่ต้องทําอะไรนะแค่ปล่อยมันก็หลุดละแต่จะปล่อยได้ต้องรู้นะว่านี่ไม่ใช่ของดีถ้ารู้สึกว่าโอ้ยนี่พัดอย่างนี้แหละในโลกนี้มีอันเดียวแหละที่ทําได้แบบนี้สวยเหลือเกินดีเหลือเกินวิเศษเหลือเกินในโลกนี้มีอันเดียวนี้อะไรรู้ไหม ตัวเรานี่ไงมีอันเดียวใช่ไหมไม่มีคนที่สองเลยมีหนึ่งอยู่เนี่เพรนั้นห่วงอของดีของดีไม่ปล่อยนะวันหนึ่งไปดูไปดูไปน่าเกลียดเนี่ยนะข้างหลังเนี่ยข้างหน้าดูสวยนะคลิกมาแป๊บเอาตุ๊กแกอยู่ข้างหลังเนี่ยคราวนี้ทิ้งอย่างรวดเร็วเลยเพราะอะไรเห็นแล้วไม่ใช่ของดีนะถ้าเมื่ อ, อไหร่เห็นตามความเป็นจริงนะว่าขันมันเป็นทุกข์นะจิตจะวางของเขาเองเพวกเราจำไว้นะไม่มีใครทําจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ จิตเขาบรรลุมกผลนิพพานของเขาเองเขาปล่อยของเขาเองนะแต่เขาปล่อยเองได้ไหมอยู่ๆปล่อยได้ไหมอยู่ๆไม่ปล่อยหน้าที่เรานะให้การเรียนรู้เข้าไปนะพาเขาเรียนรู้ไปจิตคล้ายๆเด็กนะเหมือนลูกเราหลานเราอะไรเงี้ยเราไปสอบแทนมันไม่ได้เราจะมีความรู้แทนมันไม่ได้นะมันต้องมีความรู้ของมันเองนะแต่เราทําอะไรทําสิ่งที่เกื้อกูลให้การศึกษาได้นะส่งไปโรงเรียนหรืออยู่บ้านก็ติวให้บ้างอบรมบ้างอนะไรเงีนะ้ย ให้การเรียนรู้ได้แล้วเขาดีของเขาเองเขาฉลาดของเขาเองนะจิตนี้เหมือนกันนะเราอบรมได้จิตเป็นธรรมชาติที่อบรมได้แต่สั่งไม่ได้นะเหมือนเหมือนเด็กอ่ะสั่งให้ฉลาดไม่ได้นะสั่งให้สอบได้ที่หนึ่งเนี่ยสั่งไม่ได้ทำไม่ได้จริงอ่ะมันจะดีมันจะชั่วอะไรเนี่ยอยู่ที่ตัวของมันเองเราทำได้แต่สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออหนวยให้นะเมื่อเราฝึกได้เราฝึกเด็กได้นะแต่เด็กจะเก่งหรือไม่เก่งอยู่ที่ตัวเด็กเอง จิตนี้ก็เหมือนกันจิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้ในอาพิธธรรมสอนนะจิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้แต่สั่งไม่ได้ฝึกก็คือให้การเรียนรู้เข้าไปเจริญสตินะคอยรู้กายคอยรู้ใจให้จิตเขาได้เรียนรู้ความจริงของกายไปให้จิตเขาได้เรียนรู้ความจริงของจิตใจไปเด่อยเรียนรู้ความจริงไปเรื่อยๆในที่สุดจิตเขาฉลาดเขาเห็นเลยกายนี้ก็เป็นตัวทุกข์จิตนี้ก็เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวดีตัวพิเศษอย่างที่เคยหลงผิดละเขาจะวางของเขาเอง เพราะนตรงที่วางนะเขาวางของเขาเองนะไม่ใช่เราช่วยเขาวางได้ถ้าเราช่วยเขาวางได้เราก็สบายเลยไม่ต้องไปฝึกกรรมฐานให้เหนื่อยยากการที่เราฝึกกรรมฐานนี่แหละคือการให้การเรียนรู้กับจิตนะที่เรามาหัดทําวิปัสสนานี่ยแหละก็คือการให้การเรียนรู้กับจิตนั่นเองถ้าจิตฉลาดขึ้นมารู้ความจริงของขันห้าจิตก็วางขันของเขาเองนะจิตยังโง่อยู่จิตก็ยังยึดอยู่นะงั้นเราทําหน้าที่อะไรทําหน้าที่ให้การเรียนรู้กับจิต ด้วยการเอาของจริงมาให้จิตดูดูลงไปในกายดูลงไปในจิตใจดูสิมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันสุกหรือมันทุกข์นะมันบังคับได้หรือมันบังคับไม่ได้ให้มันดูเนืองเนืองะดูไปเรื่อยเลยวันหนึ่งมันก็รู้ความจริงว่าวางของมันเองไม่มีใครสั่งให้มันวางได้นะมันวางของมันเองดิ้นให้ตายยังไงก็ไม่วางภาวนาแทบเป็นแทบตายไม่วางบทเขาจะวางนะเขาพอของเขานะเขาวางเขาเอง ครูบาอาจารย์ท่านเทียบคล้ายๆการกินข้าวเรามีหน้าที่กินข้าวนะเราไม่มีหน้าที่อิ่มนะร่างกายมันอิ่มของมันเองเรามีหน้าที่ป้อนข้าวมันไปมันหิวนะป้อนข้าวมันไปถึงจนนึงมันอิ่มของมันเองดังนั้นการภาวนานี้เหมือนกันเรามีหน้าที่ให้การเรียนรู้กับจิตเรื่อยๆเรื่องที่ให้การเรียนรู้ก็คือเรื่องความจริงของกายของใจไม่ใช่เรื่องอื่นให้การเรียนรู้ไปมากมากมากพอเขารู้จริงเขาว่างของเขาเอง พอไหวไหมอย่างนี้พอไหวไหมยากเกินไปไหมทําเป็นสายหน้าพอภาวนาเหนื่อยขึ้นมาก็ไม่เอาอีกแล้วะ <c oughs> ต้องสู้นะต้องสู้ถ้า อ, อดทนนะอยู่ๆมันจะได้ง่ายๆไม่ได้หรอกจริงๆที่หลวงพ่อบอกการปฏิบัติมันง่ายง่า ย, ายครูบาอาจารย์ท่านก็บอกนะหลายองค์เวลาไปอยู่ด้วยนะท่านก็ปลารบขึ้นมาโอ้การภาวนาง่ายนะอย่างนี้ภาโมดง่ายนะยนเสร็จแล้วจะเงียบๆไปพักหนึ่งนะจะ พูดต่อแต่มันก็ยากเหมือนกันนะะมันง่ายนะถ้าเราตื่นขึ้นมาแล้วใจเราตื่นแล้วเราดูกายทํางานดูใจทํางานเราไม่ต้องทําอะไรเราทําตัวเป็นคนดูมันไม่ยากเพราะเราไม่ต้องทําอะไรดูอย่างที่มันเป็นนะแต่ว่ามันยากมากเลยกว่าที่เราจะตื่นขึนะน้นมาในโลกเรามันเด็กคนหลงนะคนหลับยากเหลือเกินที่คนคนหนึ่งจะตื่นขึ้นมาแต่ไม่ยากนะที่คนที่ตื่นขึ้นมาแล้วแล้วคอยรู้กายรู้ใจเนืองๆเนี่ยจะบรรลุมรรคผลนิพพานในชีวิตนี้นะ แที่ครูบาอาจารย์มอองค์ว่ายากยากไม่ยากเพราะมันไม่ตื่นบางองค์ท่านก็ว่ามันง่ายนะง่ายเพราะอะไรเพราะไม่ได้ทําอะไรเลยนะพอสติสมาธิปัญญามันอัตโนมัติขึ้นมานะสติมันก็รู้กายรู้ใจเองนะสมาธิมันก็ตั้งมัน่นโดยไม่ต้องรักษาปัญญามันก็อย่างรู้ความจริงของกายของใจมันทำงานของมันเองไม่เห็นมีอะไรยากเลยนะ แต่ก่อนที่สติจะอัตโนมัติก่อนที่สมาธิจะอัตโนมัติก่อนที่ปัญญาจะอัตโนมัติตรงเนี้ยากสุดๆเลยนะตรงที่ใจเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราได้สมัธินะแล้วก็มีสติรู้กายรู้ใจเขาทางานไปเรื่อยในสุดปัญญามันจะเกิดแรกๆสติก็ไม่อัตโนมัติต้องฝึกต้องซ้อมวิธีฝึกวิธีซ้อมกอหัดดูสภาวะเรื่อยไปนะความโลภเกิดขึ้นก็รู้ความโกรธเกิดขึ้นก็รู้ความฟุ้งซ่านความหดหู่ความดีใจเสียใจ ความสุขความทุกข์อะไรเกิดขึ้นในจิตใจก็ค่อยรู้ไปความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายก็คอยรู้นะร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะกินดื่มทําพูดคิดทั้งทั้งกายทั้งใจทํางานนะคอยมีสติตามดูมันเรื่อยๆไปนะดูมากๆนะต่อไปจิตมันจําสภาวะได้แม่นถ้าจิตจําสภาวะแม่นนะสติจะเกิดเองไม่ได้เจตนาให้เกิดอย่างเราหัดเบื้องต้นนะเราต้องจงใจไว้ก่อนนะ ค่อยๆสังเกตไปจิตใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์แรกๆก็ดูวันนี้กับเมื่อวานก็ไม่เหมือนกันนะแต่ละวันนีจิตใจไม่เคยเหมนะือนกันเลยหัดดูอย่างนี้พอดูแต่ละวันไม่เหมือนกันได้กนะ็ดูให้ละเอียดขึ้นในวันเดียวกั น, นะชนเช้าสายบ่ายเย็นก็ไม่เหมนะือนกันดูอย่างนี้นะในที่สุดต่อไปจะเห็นว่าแต่ละขณะแต่ละขณะก็ไม่เหมนะือนกันดูมันจะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้น ดูไปเรื่อยๆเรจะเห็ น, นมีแต่ความเปลี่ยนแปลงนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะถ้าดูจนชำนิชำนาญ น, นะต่อไปไม่เจตนาจะดูพอมีอะไรเกิดขึ้นในกายมีอะไรเกิดขึ้นในใจนะสติระลึกได้เองนี่ต้องฝึกจนสติระลึกเองนะอย่างหลวงพ่อไปหัดจากหลวงปู่ดูลมาท่านสอนให้ดูจิตมหาหัดดูเรืยนะมันสุขก็รู้มันทุกข์ก็รู้มันโลภมันโกรธมันหลงนะความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นก็รู้มันดับไปก็รู้นะ นี่หัดรู้ไปเรื่อยตมานไม่ได้เจตนาจะรู้นะมันรู้เองนะวันที่มันรู้เองนะวันนั้นพายุใหญ่มายีนะ่สกันยา25มีพายุเข้ามานะการร่มออกจากที่ทํางานนะพายุมตีร่มนี่พับขึ้นไปในสุดเราเลยต้องเก็บร่มนะเดี๋ยวร่มเราหักอีกอันหนึ่งแย่เลยนะเก็บร่มไปแล้วเดินตากฝนไปเข้าไปที่วัดรัดโสมนี่แหลนะใกล้ๆที่ทํางานนะ เข้าไปในกุฏิเก่าของท่านเจ้าคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์พระวรรณรัตนทับเจ้าวาดองค์แรกเลยเป็นกุฏิกรรมฐานของท่านอยู่ข้างโบสถ์นิดนิดท่านรื้อไปแล้วไปนั่งกอดเข่าอยู่นั่งกอดเข่าแล้วใจมันกังวลขึ้นมาว่เปียกฝนนี่นะคงจะเป็นวัดนี่เราเคยหัดรู้สภาวะจนชินนะพอใจกังวลปุ๊บนี่นะสติมันระลึกโดยไม่เจตนาระลึกนะมันรู้ของมันเองนะ ใจมันระลึกได้เองหรืออย่างสมาธิเราก็ต้องฝึกนะสติเนี่ยเราหัดดูสภาวะไปเรื่อยโลบโกรธหลงซุ้งซ่านหดผูอะไรหัดรู้ไปไดนะ้ถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอสภาวะเกิดแล้วสติรู้เองโดยไม่ต้องเจตนาจะรู้นะแต่ก่อนจะรู้ได้เองก็ต้องซ้อมนะต้องฝึกไม่ใช่อยู่ๆก็หลวงพ่อประโมทบอกไม่ต้องทําอะไรนอนมันทั้งวันนะไม่ได้กินหรอกนะต้องฝึกนะหัดดูสภาวะไปจนสติเกิด เราไปหัดให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวคําว่าสมาธินี่ไม่ต้องวาดภาพให้มันน่า ก, กลัวบางคนวาดถึงอัปปนาสมาธินั่นะดูแล้วชาตินี้ไม่มีหวังเลยเขนะ้าใจจะเข้าอัปปนาไม่ใช่ง่ายนะอย่างไปรู้ลมหายใจนะี่กว่าจะเข้าอัปปนาต้องฝึกเป็นนานถ้ายิ่งไม่มีของเก่านะไม่มีวัสนาเดิมมันทําให้สําเร็จหรอกนะอยางจะฝึกอัปปนานะัรู้ลมหายใจไปหายใจหายใจไปเอาลมหายใจนั่นแหละเป็นอารมณ์กรรมฐาน ลมหายใจนั่นแหละเรียกว่าบริกรรมนิมิตนะรู้ลมไปลมไหลไปถึงท้องนะก็รู้ออกมาก็รู้นะไ ล, ไ, ลไล่ไล่ไปเลยบางคนก็มีฐานทับนั้นฐานเท่านี้ฐานอันี้เป็นรายละเอียดปลีกย่อยแล้วนะรู้ลงไปนะลมในลงไปถึงท้องนะนะไม่ใช่ลงไปแค่หน้าอกนี้ถ้าจงใจหายใจมันจะรู้สึกว่าลมล ม, มันลงไปแค่หน้าอกนะลมมันจะยาวถึงท้องเลยนี่พอหายใจไปหายใจไปพอจิตเริ่มสงบเนี่ยลมจะสั้นขึ้น งั้นสังเกตให้ดีในพระสูตรก็พูดนะเริ่มต้นหายใจยาวก่อนหายใจยาวแล้วตกลงท้ายทําไมหายใจสั้นลมนี่มันจะตื้นขึ้นเรื่อยๆตื้นๆตื้นๆตื้นๆจนเหลืออยู่ปลายจมูกนะปลายจมูกแล้วใจก็จอนิ่งอย่างนี้ลมหายใจนั้นจะแปลสภาพนะเป็นดวงสว่างขึ้นมาเป็นดวงสว่างนะพอเป็นดวงสว่างเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไม่ดูลมแล้วนะเพราะไม่มีลมจะให้ดูแลจะมีดวงสวาง่างอย่างนี้ย ร่างกายก็หายใจปกติแหละแต่จิตไม่ได้จับที่ตัวลมลวมาจับที่ดวงสว่างนี้แทนดวงสว่างนี้เรียกว่าอุคคหานิมิตนะอุคคหานิมิตถ้าดูอยู่ที่ดวงนี้นะใจิตใจมีปีติมีความสุขได้นะมันใจใหญ่ใจเล็กเลยรนี่ค่อยฝึกไปไม่ใช่ง่ายนะจะทําให้ใหญ่ตามใจให้เล็กตามใจฝึกก็นานนะตรงที่บังคับมันได้ควบคุมมันได้นีป่ปฏิภาคนิมิต อาศัยปฏิภาคนิมิตเนี่ยนะเป็นอารมณ์กรรมฐานนะฌานถึงจะเกิดไม่ใช่อาศัยลมหายใจนะเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะนี่ถ้าเราชาตินี้ทําไม่ไหวจะทาไงอนะ่ะมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะอาศัยสมาธิอีกชนิดหนึ่งชื่อคณิกะสมาธิคณิกะสมาธิหมายถึงสมาธิที่เป็นขณะขณะสมาธิก็คือการที่จิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกระตัวจิตใจที่ไม่อยู่กับเนื้อกระตัวก็มันฟุ้งไป มันหลงไปมันไหลไปดังนั้นเรามีสติค่อยสังเกตจิตที่ไหลไปจิตไหลไปเรารู้จิตไหลไปเรารู้จิตไหลไปทําอะไรส่วนใหญ่จิตไหลไปคิดนึกออกไหมจิตไหลไปคิดงนั้นถ้าจิตไหลไปคิดก็รู้จิตไหลไปคิดก็รู้ดูได้ทั้งวันเลยเพราะคิดทั้งวันมีใครไม่คิดบ้างมีไหมนะก็คงไม่มีหรอกนะมีแต่ประเภทนึ่งคิดแล้วไม่รู้ว่าคิดเยอะเลยคิดเรื่อยๆไปนะแล้วเราดูลงปัจจุบันดูไป ใจหนีไป ร, รู้ใจหนีไปเรารู้ฝึกเนี้ยในสุดใจมันจะอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อเรารู้ว่าจิตคิดนะจิตจะตื่นนี่เป็นธรรมชาตินึนนงนะในตำราไม่รู้มีหรือเปล่านะแต่ในนักปฏิบัติเนี่ยเจออย่างนี้หลวงพ่อเทียนก็พูดอย่างนี้นะว่าถ้ารู้จิตคิดจะได้ต้นทางจิตมันจะตื่นขึ้ น, นมาเพราะจิตคิดกับจิตรู้เนี่ยกลับข้างกัน เมื่อไรจิตรู้เมื่อนั้นจิตไม่คิดเมื่อไรจิตคิดเมื่อนั้นจิตไม่รู้เนี่ยนักปฏิบัติค้นพบตรงนี้แต่ในอภิธรรมไม่รู้มีไหมนะแต่ก็มีเหมือนกันแหละเขาพูดว่าจิตมันทํางานได้ครั้งละอย่างเดียวเมื่อมันทําหน้าที่คิดซะมันก็ไม่ได้รู้มันทําหน้าที่รู้มันไม่ได้คิดนะมันทําหน้าที่อันเดียวนี่นักปฏิบัติไปเจอถ้าจิตคิดก็ไม่รู้จิตรู้ไม่คิดนั้นถ้าเรามีสติรู้ทันจิตคิดนะจิตคิดจะดับนะเกิดจิตรู้รู้ได้แวบเดียวก็คิดอีกมีสติรู้อีกนะ แพราะฉ้จิตไปคิดรู้จิตไปคิดรู้จิตไปคิดรู้ฝึกมากนะจิตจะตั้งมั่นอนี้จิตจะตื่นขึ้นมาพอจิตตื่นขึ้นมาแล้วครั้งนี้เราได้เป็นพุทธะน้อยๆแล้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นแล้แต่ยังไม่ใช่มรรคผลนิพพานจิตตื่นขึ้นมาจิตเป็นผู้รู้ขึ้นมาจิตมีสมาธิขึ้นมาแล้วเนี่ยถัดจากนี้ต้องเดินปัญญาไหต้องเดินปัญญานะวิธีเดินปัญญาก็คือมีสติ รู้ความเปลี่ยนแปลงของกายมีสติรู้ความเปลีคงคงย่ยนแปลงของใจดูกายดูใจอย่างที่เขาเป็นแต่ดูด้วยจิตที่ตั้งมั่นมีสมาธิตัวนี้สำคัญมากนะถ้าจิตไม่ตั้งมั่นมีสมาธิอยู่จิตจะไหลตามอารมณ์ไปเวลาไปดูลมหายใจนี่จิตจะไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่นเวลาดูท้องพอ ง, พองยบจิตจะไหลไปอยู่ที่ท้องอันนี้เรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่น เวลาเราคิดเรื่องน้นเรื่องนี้จิตไหลไปอยู่ในโลกของความคิดเลยจิตไม่ตั้งมั่นเวลาโลภเกิดขึ้นไปเห็นความโลภโผล่ขึ้นมามีสติรู้ว่าความโลภเกิดขึ้นนะจิตถลําลงไปในความโลภอีกไหลตามความโลภไปนี่จิตไม่ตั้งมั่นถ้าเราเคยฝึกซ้อมนะจิตไหลไปแล้วรู้ไหลไปรู้จิตมันตั้งขึ้นมามันจะเห็นเลยมันจะมีสภาวะคล้ายๆเรายืนอยู่บนบกนะแล้วเห็นของไหลมาในน้ําดอกไม้ลอยมาบ้างหมาเน่าลอยมาบ้างลอยมาในน้ําลอยมาแล้วลอยไป เราอยู่บนบกเราอยู่ห่างๆเราดูอยู่ห่างๆนะหรือเหมือนอย่าเรายืนอยู่บนตึกริมถนนนะตึกแถวริมถนนเรายืนเห็นรถวิ่งอยู่ในถนนเราไม่วิ่งลงไปในถนนนะใจมันดูอยู่ห่างๆเนี่ยสภาวะที่จิตตั้งมั่นนะจิตมันจะตั้งตัวเป็นผู้รู้อยู่ห่างๆมันจะไม่อินเข้าไปในปรากฏการ์เมื่อไม่อินเข้าไปในปรากฏการ์เนี่ยมันจะเห็นปรากฏการ์ชัดถ้าเมื่อไหร่เราอินเข้าไปในปรากฏการ์เราจะเห็นปรากฏการ์ไม่ชัดอย่างในเวลาที่ชีวิตเรามีปัญหาหรือเวลาเราทํางานนะ ทำไมพวกที่ปรึกษามันหากินได้เพราะที่ปรึกษามันไม่ได้อินพวกคอนซอัลคอนซอัลแทนพวกนี้มันไม่ได้อินกับเราใช่ไหมบริษัทเราจะเจ๊งมันไม่ได้เดือดร้อนนะมันได้ค่าจ้างมันพอใจละส่วนเราเราอินนะบริษัทเราจะอยู่ได้ไม่ได้นี่เราอินนะการที่เราอินเข้าไปในปรากฏการณนะ์นัหลงเข้าไปในปรากฏการณ์ทำให้เราเห็นอะไรไม่ชัดมองไม่ตรงความจริงที่ปรึกษามองง่ายกว่าเราทั้งทง ท, งที่ไม่ได้เก่งกว่าเรานะหลายคนนะหลวงพ่อสังเกตุที่ที่ปรึกษาเนี่โงกว่าเราอีก มันไม่ได้รู้อะไรมากกว่าเราหรอกข้อมูลเราก็รู้เยอะนะเยอะกว่าเขาอ่ะแต่เยอะจนข้อมูลถมมาจนมองอะไรไม่ออกเลยนะงั้นถ้าเราถอนตัวขึ้นมาเป็นแค่ผู้สังเกตการได้จิตที่ตั้งมั่นมีสมาธินี่แหละคือจิตที่ถอนตัวมาเป็นผู้สังเกตการมันจะเห็นโลกนี้ตามความเป็นจริงเห็นรูปเห็นนามเห็นกายนี้ตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยนะจะเห็นอย่างนี้เห็นแล้วเห็นอีกนะในที่สุดจิตจะวาง มีแต่ทุกข์ล้วนๆไม่รู้จะเอาไปทำไมมีแต่ของไม่เจี๊ยงไม่รู้จะเอาไปทําไมมีแต่ของที่ไม่ใช่เรานะพึ่งพาอาศัยไม่ได้เลยน่าเบื่อไหนจิตจะวางนะงั้นจิตวางได้ด้วยการเดินปัญญานะเดินปัญญาได้ก็ต้องมีการฝึกให้มีสตินะฝึกให้มีสมาธิขึ้นมาต้องฝึกทั้งสิ้นเลยแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดต้องมีศีลนะถ้าไม่มีศีลแล้วก็คุณงามความดีทั้งหลายมันจะหายไปอย่างรวดเร็วเลยสมาธิก็เสื่อมนะอ่ะวันนี้8ปดโมงพอดีเชิญไปทานข้าว นิมนต์เลยครับนิมนต์